ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศพท่านอาจารย์กว่าขอไปปรุงอันนี้จังทุกข์ห้าตาที่นั่นอีกทีหนึ่งพอกล้าพิมพ์ไปสู่เมนท่านขอไปกราบเพราะมีความท่นสนับสนุกับท่านอาจจะร่วมเพินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้จะต้องไปกราบขอขอมาท่าน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 สับประหกงบงินเหมือนกับคนจะหลับแต่มือนั้นทํางานอยู่โดยสม่ําเสมอแสดงว่าไม่หลับแน่นว่านอกนั้นถ้าลงมีลักษณะสับประแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่าอาจารย์มั่นอาจารย์กูดคงไปวงมานี่มือมันตายเจ้าของกําลังสลบทันว่างั้นคือกําลังสับปรมนั่นแหละพอเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วทันว่า ตายไปก่อนเดขอ ง, งต่าท่านป่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอุท ร, รมะทาเก่งมากเขาทำให้เราคิดย้อนหลังขึ้นไปเวลาท่านอุทุมะทาต่างอาจารย์มั่นรู้จะสมัยที่อยู่ไหนอยู่ทางท่าบอ่อตั้งไหนไม่รู้เราลืมๆไปเลยแต่นั้นมาท่านจิตใจท่านกบเขไปบ้างการปฏิบัติกบเขะไปในตอนหนึ่งว่าจะสึกะอะไรไปแล้วกลับตัวได้ ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่แลวกลับตัวได้เลื่อยมาเลยไม่สบอยู่ไว้จะากรทั่งทุกวันนี้เป็นวา่าสุดท้ายท่านแ ล, ล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกราบแล้วกด็ดูวิญญาณภายในอ๋อนี่เป็นวาระ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 ของเกี่ยวไปนู้นมานี่ไปไก่ไปไกลผลนจุดท้ายก็มาลงที่จุดนี้ตรงท่ามาลงที่จุดนี้แต่ไปไหนก็มีกิเลสครอบงำเป็นนาย บ, บังคับจิตใจไปเรื่อยๆแต่ไปสู่ภพก็กรรมวิบากซึ่งเป็นอำนาจมาจากกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเหมือนกับผู้ต้องหาไปเที่ยวสู่กำเนิด น, นั้นไปสู่กำเนิด น, นี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ ก็เหมือนเป็นผู้ต้องหาไปด้วยอำนาจแห่งอำนาจกดแห่งตำ่ำโดยมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมอยู่ฉากหลังชาติโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนพิเศษในการท่องเที่ยววะัะสงสารอยู่นี้ต้องเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นคนพิเศษก็คือผู้ที่พ้นจากกรงจกักรคือเครื่องหมุนของกิเลสเท่านั้นเองดังนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีเท่าไรเหมือนกันหมด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 สูงก็เปน็นอำนาจแห่งความดีแต่ที่ยังปรากดอยู่ก็เพราะอำนาจแห่งกิเลสเนี่ยอำนาจกิเลสกิเลสนี่จึงแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นภพใดแม้ที่สุดทรมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทาวาสก็ยังต้องปกครองอยู่สุทาวาสคืออิหาตปาสุทัชชาตวสีอัคนิฐา เป็น่าชั้นๆสุทธายแปลว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ท้าไปออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สาเร็จพระนาคา ม, มีขั้นแรกหากว่าตายก็ไปเกิดในชั้นนี้อวิหานี้อัตตาเป็นชั้นที่สองแล้วเมื่อบารมีแก่ก้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อนถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้น จนถึงจนกระทั่งถึงขั้นสุดทาวารก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะละเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตได้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุดทวารกล้าขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเรียกว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษ แ่งการจองจำนี่พูดตามวิธีความเป็นไปของกิเลสที่เรียกว่าวัดตะบนเนี่ยพูดไปตามวิธีแห่งกุศลที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลำดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่สร้างนี่เท่านั้นส่วนอำนาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทาง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 สงเวลาหิวกรหายก็มีอาหารนับทานมีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องเยียวยารักษาพร้อมไม่ทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยบุญกุศลคอยพยุงอยู่เช่นนี้จนกว่าจะพ้นไปได้กราบใดตราบนั้นถึงจะหมดปัญหาแต่แม้เช่นนั้นบุญกุศลก็ยังต้องปล่อยไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสนับสนุน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 มีสาระสำคัญจึงรับเอาธรรมสาระพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติธปฏิบัติตามท่าน้ากลำบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าจิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกำลังความสามารถของตนอยู่แล้วยึงไม่ควรตาหนิ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 เล่สมกับว่าพุทธทางามังสนังกรฉานี้ที่ถือพระพุทธเจ้าหรือองค์แห่งธรรมหรือองค์แห่งเหตุผลเข้ามาช่วยประคับประคองรือพยุง จ, จิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสารหรือวสาระสำคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเท่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดการทุกมือตลอดพบตลอดชาติในวัตฏะวนที่เราเวกเดินปันมาอยู่นี้ไม่มีอนไดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่วมเยินจิตใจเหมือนทำรรนี่เลยทมโมหะเวรคติธรรมจริย์พรธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาตัว อ, อย่างไว ทำไมทำจึงมารักษาคนต้นเหตุเป็นมาอย่างไรคนต้องรักษาธรรมนี้เป็นต้นเีตเบื้องต้นคือสาเหตุเบื้องต้นคนรักษาธรรมเช่นเราทั้งหลายรักษาธรรมอยู่อย่างนี้รักษาธรรมคือรักษาตัว ด, ดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้เกิดเกิดลาาไปพยายามรักษาตนให้ดีด้วยความประพฤติทางกายวายจาตลอดถึงความคิดทางใจ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 ก็ทำเราให้มีความแข็งแกรปลอดภัยมีความอยู่เย็เป็นจุดท่านเรียกว่าทำรักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรผลที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจกักษ์ใจก็ยิ่งขยืดขึ้นไปโดยลำานำดับตามเหตุที่เราทาไว้นั้นๆจนกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นไปจากภัยทั้งหลายโดยสิ้นเชิง คืออยากว่านิยาณิกรรมชุดลากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจนเต็มภูมิของธรรมารนั้นให้ผ่านพน้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังนาตาหรือบ่อแห่งความเกิดเจเจ็บตายนี้ไปเสียได้หายห่วงถ้พระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงถ้าสงฆ์เป็นผู้หายห่วงด้วยการปฏิบัติธรรมทำรักษาท่านพระองค์ท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วง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 ไปดูเมนท่านวันนี้ก็ไปเห็นประชาชนมากมายก่ากองก็เกิดความสงสารเนี้ยทําให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้งใจรู้ทุกปฏิบัติมาก็เป็นวาระสุดท้ายมาไว้ที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย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 จะเป็นเด็กก็ต่างทำนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามนั้นยึดได้ทุกแข่งทุกคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์ดิบฉานตัวใดมีอัญยาศัยจคอดีก็น่ายึดนะเอามาเทียบเทียเถือประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ทีมเป็นคนโรคโลกนั้นอย่านำเข้ามาคิดให้มันรกลุมรังภายในใจิตใจของตนโรคโลกให้มันโรคอยู่เฉพาะเขา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 ถ้าขับพาถ่ายคพารับทานอะไรอทุกสิ่งทุกประการล้วนแล้วตั้งแต่มาเยียวยายรักษาคขอมบกพร่องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทํางานได้หรือคนเราอยู่เฉยอยู่ไม่ได้ต้องทํานี่เป็นความจําเป็นสนหรักท่าขานในขณะเดียวกันความจะเป็นสำหรัจิตที่เราเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในจิตแม้จะมี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 เอาคุณงามความดีแล้วก็สอบเสแสร้งหาเพื่อเป็นเครื่องบันเทาจิตใจหรือพยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายเลยมีความสุขความสบายนี่เฉพาะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอย่าให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อความจนรกรอกเตรมหนุมเราเกิดมาเป็นคนทั้งขดเฉพาะอย่างยิ่งรักวิชาทุกทุกขแขนงสอนให้คนฉลาดทางนั้นทั้งโลกพอดีนี้ทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าตรงฉลาดแหลมคมที่สุด สอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอดถอนได้พระพุทธเจ้าถอดถอนได้ทั้งนั้นแล้วเวลามาสอนโลกกม็มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่หน้ายึกเัาอย่างยิ่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมกลงของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกระทั่งบรรพณีพานนิพันธ์แล้วก็เป็นความสุขเกษม ไม่มีอะไรบบ้องสำหรับพระองค์เลยผู้นี้แลเป็นสละชันนังคัจฉามิได้โดยสมบูรณ์เล่าว่าพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยคุณงามความดีความฉลาดอย่าให้จนกรอบจนมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพระพุทธเจ้าไปจนกรอบไปไม่น่าติดที่ตรงไหนติดตรงไหนฟันตรงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดไม่ใช่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นั้นจะจนกรอบจนมุมทอดถอย อ, อ, อ่อนแอ ถอนกําลังออกไปเสียอย่างนี้ใช่ไม่ได้ติดตรงไหนตัดข้องตรงไหนนั่นแหละคือทําอันหนึ่งเป็นเครื่องท้ามถอนเราให้พินิจพิจารณาหรือเพื่อเรื่องเตือนสติปัญญาให้ผิดขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันมาติดข้องเราไปประสบเหตุการณ์อันใดก็ตามเราจะเอาความจนกอดเข้าไปขวางหน้าเราให้ออาสติปัญญาเขาเป็ น, ปนผู้บุกเบิกอะไรมันขวางบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆคนเราไม่ใช่ว่าจะงูเลื่อยไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดมาตั้งแต่มันเกิด ต้องอาศัยความพินิจพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือ ก, การค้นคว้าการพินิจพิจารณาการศึกษาโรงเรียนการอบรมแล้วการค้นการคิดความฉลาดจะเกิดขึ้นโดยลำดับลำดับไม่มีประมาณแม่น้ํามหาส ม, มุทรจะบอกว่าเท่าไหร่ก็ต่างปัญญายังแทบไปได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมาหาส ม, มุทรทางความโง่กับอะไรจะโง่ยิ่งกว่าจิตนี้มีถ้าจะทําให้โง่โ ง, ง่จนตั้งกับตั้งกันเกิดด้วยความโง่ตายแล้วยควโง่อยู่ด้วยคําโง่โง่ตลอดนี่ ถ้าใช้โง่โงอย่างนั้นถ้าจะให้ฉลาดฉลาดที่สุดพยายามแล้วเราต้องการอะไรความฉลาดพาคนให้ดีพาคนให้พ้นทุกข์ไม่ว่าทางโลกทางธรรมพาใหคนพ้นไปได้ทั้นั้นไม่ได้จนเกาะกินมุมถ้ามีความฉลาดนี่เราพยายามสร้างความฉลาดให้เราต้องผลิตความฉลาดขึ้นให้มากให้พออ้าวแตพ่ออย่างยิ่งเราแบบเราหามอยู่ในเบญจขันธ์อันนี้เราฉลาดกับมันได้อย่างหรือมีตะบุญให้มันโดยที่มันไม่รู้สึกตัวกับเราเลย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 เรื่องของมันจํานวนของมันแล้วเก็บไว้ในสถานที่ใดเรารู้แต่สกนกาธาตุขันเหล่านี้เราแบกเราหามาตั้งแต่วันเกิดแล้วเรารู้บ้างหมายว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีชั่วมีสกรปรกส้วมหรือมีความสะอาดสะอานที่ตรงไหนมีความสาระสําคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสำคัญตร่ไหนมีอนิจจังหรือมีมีนิจจังอยู่ที่ตรงไหนมัง่ง มทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนคนนั้นมันเห็นเหตุเป็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในธาตุในขันธ์นี่ค้นลงไปพระวิชาท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้ง 100. ร้อยอืมรูปังอนัตตานะั่นฟังสิรูปังอนิจจังอืมคําว่านิจจังคืออะไรมันกวนเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจังมันแปรทุกขังเหมือนกั น, นมันกวนทั้งว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะ มันเตือนเราอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาท น, นี่จังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรูปไมอนาตตามันเป็นไฟถือแล้วร้อ น, นรูปปางเขมรูปปังนั้นแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งทั้ ง, งหลอกของนายดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึง ถ้าจะให้ติดตั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ไม่ได้คิดเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือร่างกายหนังหุ้มอย่นี้แล้วดูให้ดีถอนมูลกรรมฐานอันนี้เจสาลมาหนขาทันตาตะโจพอมาถึงตะโจคือหนังเท่านั้นด่ ท่านเรียกว่าตาจับปัรยกาศกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแต่ตามสัพท์นะพอว่าถึงตาโจแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วก็อนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าประเดิ่มดับปฏิโลมคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดพอเหตุไรท่านถึงหยุดความหมายหมายว่างไงหนังเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสัตว์โลกติดติดกันก็ติดที่ตรงหนัง หุ้มสกุากายไว้ก็คือหนังผิวพันธมาหน้าข้างนอกหน้าดูแต่ไม่หนาเท่าแบลานเลยข้างในเป็นนี่มันหุ้มที่เราลองถลกหนังนี่ออกดูสิเราดูกันได้ไหมสัตว์เป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลกหนังองแล้วเป็นยังไงนี่แหละปลาถึงตัโจท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกุากายหรือว่าครอบโลกธาตุแล้วพิจารณาตรงนี้คลี่คล้ายออกดู ั้งข้างนอกดูข้างในของของหนังเป็นยังไงหนังรองท่ามันไม่สกปรกไม่เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่นี่ดูนี่เรากำลมาฐานดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกดำทัง้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่สแสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยึดยังถือว่าเป็นเราอยู่ได้เหรือไม่อายความจริงบ้างเหรือความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฟืนความจริง แบบด้นดานๆนที่เฉยนี่จะว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสตันหาความมืดดำกรรำตามันทาด้านเราก็ต้องทนด้านกับมันถืนแต่ไม่อายพระเจ้าบ้างนี่ที่ําคัญอ่อะพระเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนตระโลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แต่พวกเรายังยึดยังถือไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้ะเวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้น่งนั้นจะตายไปไม่ได้ฟังสิ จะตายไปไม่ได้ย่างไรตั้งแต่เป็นมันยังเป็ น, นทําไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทํา ม, มันจะตาย ไ, ไม่ได้ไม่คิดบ้างหรือว่อ น, นี่คือนานนี่เราความโง่ความโง่ของเราพวกเรามันเป็นอย่างนี้ความจริงต้องแจง้งออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยสติปัญญาจากการเป็ความฉลาดแหลมขมขึ้นมาธรรมาฐานห้าท่านสอนถึงตะโจเป็นประโยกใหญ่มากที่เดียวอ้าวดูเข้าไปวผายเนื้อเป็นกระดูก ข้าพเจ้าในเท่าไหร่ดูได้ไพี่นายเลยนี่เนี่เที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวตรงนี้ดูให้ดีดูข้างบนข้างล่างให้มันเทินอยู่กับความจริงนี่แล้วมันจะค่อยคลายออกคลายออกเรืออ่ อ, อๆยๆเรื่อยพอเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึมซ่า้าไปถึงไหนความผ่อนคลายของของใจจะเบาออกเ บ, บาไปเบาไปเ บ, าไ ป, บาไปโดยลํำดับลำดับหนึ่ง เพราะอันนี้เพราะความสำคัญอันนี้เป็นเครื่องให้หนักภาณะจิตใจเพราะความเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยวางโดยนับแล้วก็มีความเบาพ า, านะจิตใจนี่เป็นประโยคสำคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาเอาเป็นชนนนนนนิ้นเป็นอันกาหนดออกจะแบบถ้ามันเปื่อยพังไปเรื่อยๆเอาเอาเปื่อยเปืยแบบเยอ้มดูไม่ได้ อะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความคาดอยากอย่างซึงง่งหนึมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนเราไม่เไม่ขยันอยากทาให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดเินนี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกเออกใครก็เสกได้ด้วยกันทั้งตั้งตับปลอมเฉยกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจริงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบ แล้วมันก็ทุกในสิ่งที่เราไม่ชอบเลยเหมือนกันเกิทุกความทุกไม่มีใครชอบแต่มันก็เจอด้วยกันเพราะมันปีนเสี้ยวกับความจริงเราจะกําหนดถ้ามันตัวลงไปโดยลำดับหนักก็ได้เอาจะกําหนดแยกออกเฉวนออกไปเฉือนลงไปเป็นกองเป็นกองกองเนื้อกองหนังอะไรออก็ออกไปให้เหลือแต่กระดูกกระดูกมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไห น, นกําหนดออกไปดึงออกไปกองมัน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 อุบายวิธีการดังที่อธิบายมานี้คือการคลี่คลายออกให้เห็นตามองผิงมันนี่เป็นความความที่ถูกเป็นความคิดความปรุงที่ถูกต้องเพื่อการถอดถอนตัวเองทําไมจะถือว่าเป็นความคิดเฉยๆสิ่งที่เป็นความคิเฉยเราติดนั่นเป็นเรื่องของสมุทยัยเรายังยอมติดเรายังยอมคิดสิ่งที่เป็นมากเพื่อจะถอดถอนความติดประเภทนั้นสังขารแก้สังขารปัญญาแก้ความโง่ทําไมเราจะทําไม่ได้มันจะขัดกันที่ตรงไหนนะ นี่ท่านเรียกปัญญาเอากำหนดเผาไฟลงไปได้กี่กครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับครั้งนับหนเอาคาำชานานเป็นของเํา่ขันชานานจนกระทั่งมันปล่อยมันวางได้อนอกจากนั้นมันก็เป็นสูญอากาศร่างกายทั้งเหล่านี้ที่แรกมันก็เป็นปฏิกูลพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยกว็างามพอพิจารณาตามหลักธรรมอุรัฏฐากเข้าไปที่เรียบกับปฏิกูล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 ลำพึงลำพันกับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆเกิดความขยักขย้งเกิดความสลดสังเวชแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้พราะความหนักก็ได้จากความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิตเบาโล่งไปหมดจากนั้นกําหนดลงไปทันทันทลายลงไปแหลกเหลยวไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็น เหมือนกับอยู่อากาศอะไรนะกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศและธาตุไปหมดอิดว่างไปหมดเลยนานนี่อุบายของสติปัญญาทาคนให้เป็นอย่างนี้ทําความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทําผลให้เกิดความสุขความสบายความเบิกบานใจอย่างนี้นี่เมื่อกำหนดเข้าไปนานๆ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 ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะอิทธลุร่างกายทั้งหมดความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี่ทะลุออกหมดหาชิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธ า, ธาตุไปหมดเลยนา น, นี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีแต่เพียงยับยั บ, ย, บ, ย, บยิ้มยิ้ม ย, ยิ้มยิเกิดภายในร่างกายมันก็ว่างขอกมาเองเหมือนกัน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 มันเป็นก้อนอยู่ในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมุติก้อนภพก้อนชาติมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นอ่าคําที่ว่าเงาเงาเงาหมอดอคาที่ว่าก้อนก้นอนหมดภ า, ายในจิตอไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้รล้วนๆนั่นที่นี่ว่าอะไรความรู้รล้วนอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟาดออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือ э เป็นเงาเง า, เงา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 พระพุทธเจ้ากับกับธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันถ้าธรรมประสงค์เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาตินี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเพื่อเห็นหลักฐานกฏหมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าจะปฏิญญาานานเพียงไรก็ต่างไม่สําคัญอะไรเลยเพราะนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นพระกายเรือนร่างแห่งพุทธะเท่านั้นพุทธะอันแท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นฉันนัยอันนั้นเป็นฉันนั้นและพระพุทธเจ้าจากศูนย์ไปไหน เมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้กันอยู่นี้ไม่สูงแล้วพระพุทธเจ้าจะศูญไปได้อย่างไงคำว่าพระธรรมธรรมนั้นศูญไปได้อย่างไงรู้รู้อะไรทำไมรู้ทำและทําไม่มีจะรู้ได้อย่างไรถ้าว่าทำศูญจะรู้ได้อย่างไงนานลงที่จุดนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระสม์ไม่ว่าว่าอยู่เหมือนอยู่นะอยู่กับพระพุทธเจ้า ว, ว่างนันเลยให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยตามความรู้สึกอันสี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 นี่นี่หละยอมรับกันตรงนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของทรรมโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยเพื่เจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามพราะพุทธท่านแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี้เลนะนี่คือธรรมชาติเีี้ยสจัด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 อันนี้มันปัทนาเมาไม่ได้ถ้าไม่มุ่งสร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างจิตสร้างใจสร้างาางามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสมหวังไว้จากตนและจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมหวังบรรลุที่สุดเป็นที่พึงพอใจอย่างเป็นที่ได้จะวิมุตติหลุดพน้นคือพระนิพพานอื่า น, นว่าสารแยังว่าสมควเอาละพุติ